ราไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่23สาสุตตันตปิฎกอังกุตรนิกายอัทธกานิบาตชุมนุมธรรมะที่มีแดข้อบรรณาสกะหมวดห้าสิบวที่หนึ่งเมตตาวร์ว่าด้วยเมตตาตรัสแสดงอนิสง์ของเมตตา8ดอย่างคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาย่อมรักษาไฟยาพิษสัตราย่อมไม่กล้ามกลายเมื่ อ, อยังไม่ได้บรรลุธรรมอันยิ่งขึ้นไปก็จะเข้าถึงพรหมโลกตรัสแสดงเหตุปัจจัยแปดประการที่เป็นไปเพื่อได้เพื่อความไพ่บูนบริบูนแห่งปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์คือหนึ่ง อาศัยศาสดา ห, หรือเพื่อนปรมจารีที่เคารพตั้งความละอายความเกรงกลัวตั้งความรักความเคารพ 2. อาศัยท่านที่กล่าวเข้าไปหาไต่ถามเป็นครั้งคราวท่านก็ช่วยจีแจงให้คลายความสงสัย 3. ฟังธรรมะแล้วหลีกออกทั้งทางกายทางจิตส มีศีล 5. สดับตรับฟังมาก 6. ปรารบความเพียน 7. เมื่อไปในสงฆ์ไม่พูดเรื่องที่ไม่สมควรแต่พูดธรรมะเองหรือเชิญผู้อื่นพูดไม่ดูหมิ่นการนิ่งแบบอริยะคือนิ่งแบบรู้เท่า 8. เห็นความเกิดดับในขันหเพื่อนปรมจารีย่อมชมเชยภิกษุ เชนนั้นตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะแดอย่างย่อมไม่เป็นที่รักที่พอใจไม่เป็นที่เคารพสรรเสริญของเพื่อนปรมจารีคือสรนเสริญผู้ไม่เป็นที่รักติคนที่เป็นที่รักอยากได้ลาบอยากได้สักการะไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อ บ, บาปมีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิด ฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามและได้แสดงในอื่นอีกโดยเปลี่ยนข้อธรรมะเล็กน้อยตรัสแสดงโลกธรรมคือธรรมะประจำโลกแดอย่างคือลาบไม่ใช่ลาบยศไม่ใช่ยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์ซึ่งปุถุชนไม่รู้เท่ามีความยินดียินร้าย แต่อริยาสาวกรู้เท่าไม่ยินดียินร้ายตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าการที่ภิกษุพิจารณาถึงความวิบัติของตนและคนอื่นพิจารณาถึงสมบัติของตนและคนอื่นโดยการอันควรเป็นการดีและตรัสว่าพระเทวทัตถูกอาศธรรมแปดคือโลกธรรมครอบงำจิต เป็นผู้ไปสู่อบายนารกอย่างไม่มีทางแก้ตรัสสอนให้อยู่อย่างครอบงมในที่นี้หมายถึงเป็นนายเหนือคือเป็นนายเหนือลาบไม่ใช่ลาบยศไม่ใช่ยศสักการะไม่ใช่สักการะความปรารถนาลามกความเป็นผู้ครบมิดชัวหมายเหตุผู้อ่าน ในหนังสือใช้คำว่าลาบและไม่ใช่ลาบนะครับแต่ที่เรามักได้ยินกันก็คือมีลาบและเสื่อมลาบความหมายน่าจะคล้ายกันนะครับมีเรื่องเล่าถึงพระอุตระเกี่ยวกับคติธรรมะดังกล่าวข้างต้นตรัสถึงพระนนทสักยะกว่าเป็นกุลบุตรมีกำลังน่าเลื่อมใสมีราคะกล้า แต่ก็อาจประพฤติรมจ a j a ์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้เพราะสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นประกอบด้วยสติสัมปชัญญะตรัสแนะให้กำจัดภิกษุผู้ถูกโจททวงเพราะอาบัตแต่กลับพูดทลากถลยัยแสดงความโกรธเคืองแนะให้กำจัดภิกษุเหล่านี้เพื่อไม่ให้ประทุสร้ายภิกษุที่ดีด วักที่สองมหาวัคว่าด้วยเรื่องใหญ่ตรัสตอบเวรัญชพรามผู้ว่ากล่าวพระองค์ด้วยคำกระทบต่างๆตรัสชี้ให้มีความหมายไปในทางดีในทางที่แสดงว่าพระองค์ปราศจากกิเลสแล้วตรัสว่าพระองค์เปรียบเหมือนลูกไก่ที่ทาลายกระป๋อไข่ออกมาก่อนรายทรงทาลายกระป๋อไข่คือวิชาได้ จึงกวรกล่าวได้ว่าพระองค์เป็นพี่คือผู้แก่กว่าใครในโลกแล้วตรัสแสดงถึงการที่พระองค์ได้ฌานสีได้วิชาสามคือระลึกชาติได้มีทิพย์าจักสุขและทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเป็นที่สุดเวรัญชพรามเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต รัสแสดงธรรมแก่สีหเสนาบดีถึงเรื่องที่มีผู้กล่าวหาว่าพระองค์เป็นอากิริยาวาทคือผู้พูดว่าทำดีทำชั่วไม่เป็นอันธรรมเป็นต้นโดยทรงชี้แจงว่าพระองค์สอนไม่ให้ทำชั่วเป็นต้นสีหเสนาบดีเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสระนาตลอดชีวิต รัดแสดงม้าอาชาไนที่ประกอบด้วยองค์8เปรียบด้วยภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ8คือ 1. เกิดดีจากสองฝ่ายคือมารดาและบิดาเกิดในทิศที่ม้าอาชาไนที่ดีอื่นๆเกิด 2. ย่อมกินอาหารสดหรือแห้งที่เขาให้ด้วยความเคารพคือด้วยอาการอันดีงามไม่ทำหก 3. รังเกียดที่จะนั่งหรือนอนทับอุจระปัสสวะ 4. มีความยินดีมีความอยู่ร่วมเป็นสุขไม่ข่มขู่มาอื่น 5. เปิดเผยความพยศคดโกงตามเป็นจริงซึ่งสารถีก็จะพยายามแก้ไข 6. เป็นสัตว์เอาภาระโดยคิดว่ามาอื่นจะเอาภาระหรือไม่ก็ตามเราจะเอาภาระในที่นี้ สำหรับคำว่าเอาภาระคำนี้อัตถกถาแก้ว่าปฏิบัติตามคำสั่งเจ็ดย่อมไปโดยทางตรงแปดมีเรี่ยวแรงมะอาชาในประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้ย่อมควรแก่พระราชาภิกษุประกอบด้วยธรรมะแปดประการก็ควรของคำนับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือหนึ่ง มีศีลสองบริโภคด้วยความเคารพคือด้วยอาการอันดีงามซึ่งอาหารที่เขาถวายเส้าหมองหรือปราณีตก็ตามไม่เดือดร้อนสามรังเกียจทุจริตทางกายวาจาใจรังเกียจการประกอบด้วยอกุศ ล, ลบาปธรรมสี่มีความยินดีมีความอยู่ร่วมเป็นสุขไม่ข่มขู่ภิกษุอื่น ห้าเปิดเผยความพยศคดโกงแก่พระาศาสดาหรือเพื่อนปรมจารีซึ่งท่านเหล่านั้นย่อมพยายามแก้ไขหกเป็นผู้ศึกษาโดยคิดว่าผู้อื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเราจะศึกษาเจ็ดไปโดยทางตรงคืออริยมรตมีองค์แปดมีความเห็นชอบเป็นต้น แปดปรารบความเพียนตรัสแสดงม้าที่มีโทษแปดระการเทียบด้วยบุรุษที่มีโทษ8ประการโดยแสดงถึงม้าที่สั่งการอย่างหนึ่งแต่ทำไปซะอย่างอื่นเปรียบเหมือนภิกษุที่ไม่ดีต้องอาบัติถูกตักเตือนก็กล่าวว่าระลึกไม่ได้คือจําไม่ได้เป็นต้น รัสแสดงมวลทิน8ประการคือ 1. การไม่ท่องบนเป็นมวลทินของมน 2. ความไม่ขยันเป็นมวลทินของบ้านเรือน 3. ความเกียจค ร, ร้านเป็นมวลทินของผิวพันณสี่ความประมาทเป็นมวลทินของผู้รักษา 5. ความประพฤติชั่วเป็นมวลทินของหญิง 6. ความประณี เป็นมวลทินของผู้ให้เจ็ดอกุศลละบาป ร, รมเป็นมวลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแปดอวิชชาเป็นมวลทินอย่างยิ่งตรัสแสดงว่าภิกษุประกอบด้วยองค์แปดควรไปทำการทูตคือรู้จักฟังรู้จักทาให้ผู้อื่นฟังเรียนรู้ทรงจำรู้ ทำให้ผู้อื่นรู้ฉลาดในประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ชวนทะเลาะตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามีคุณสมบัติของนักการทูตเช่นนั้นตรัสว่าหญิงชายย่อมปูพันกันด้วยอาการแปดประการคือรูป ก, การหัวเราะการพูดการร้องเพลงการร้องไห้อากับปกิริยา ของขวัญและผัสสะตรัสตอบเท้ามหาราษะผู้เป็นจอมแห่งอสูรถึงการที่ภิกษุทั้งหลายยินดีในพระธรรมวินัยนี้ซึ่งมีความอัศจรรย์8ดอย่างเทียบด้วยความอัศจรรย์แดอย่างของมหาสมุทรที่เท้ามหาราษะกราบทูนคือหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ มีการศึกษาการกระทำและข้อปฏิบัติโดยลำดับไม่ใช่เริ่มต้นก็การตรัสรู้อรหัตผลเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีความลุ่มลึกโดยลำดับไม่ใช่เริ่มต้นก็ลึกเป็นเหว 2. พระสาวกย่อมไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเปรียบเหมือนมหาสมุทรซึ่งมีความหยุดเป็นธรรมดา ไม่ล่วงเลยฟังไปสงมสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคลคลกู้ทุศีลย่อมประชุมกันยกออกจากหมู่แม้เธอจะนั่งอยู่ใน่าำกลางสง์ก็ชื่อว่าไกลจากสงเปรียบเหมือนมหาสมุทรที่ซัดซากศพเข้าสู่ฟังโดยพลันสวันณะสี่เมื่อบวชในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมละชื่อและโคตเดิมถึงการนับว่าเป็นสมณะสักยะบุตรเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ต่างๆเช่นคงคายามุนาเมื่อถึงมหาสมุทย่อมละชื่อและโคตเดิมถึงการนับว่าเป็นสมุทร 5. แม้ภิกษุเป็นอันมากจะปริญนิพพานด้วยอนุปาติเสสนิพานพานธาตุ แต่ความร่องหรือความเต็มแห่งนิพพานธาตุก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นเปรียบเหมือนความร่องหรือความเต็มแห่งมหาสมุทรไม่ปรากฏเพราะสายน้ำตกลงมาจากอากาศ 6. พระธรรมวินัยมีรสเดียวคือมีวิมุตติความหลุดพ้นเป็นรสเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม 7. พระธรรมวินัยนี้มีรัตนะเป็นอันมากเช่นสติปัฐานสี่เป็นต้นจนถึงอริยามรรคมีองค์8ในวงเล็บโพธิปักิยธรรม37เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากเช่นมุกดามณีไพฑูนเป็นต้น 8. พระธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่ คือพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธจนถึงพระอระหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลเปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ใหญ่มีปลาติมิติงมิคละติมิรามิงคละอสูรนาคคนทันหมายเหตุ hate, มีข้อน่าสังเกตพิเศษสําหรับคนทันว่าอยู่ในมหาสมุทร แต่ในที่อื่นมีกล่าวว่าอยู่ที่ต้นไม้ในวันอุโบสถพระผู้มีพระภาคประทับนั่งมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมมีปฐมมยามล่วงแล้วพระอา น, นุ์จึงกราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงปาฏิโมกข์ก็ทรงนิ่งเมื่อมัชฌิมยามล่วงแล้วพระอา น, นุ์กราบทูลอาราธนาอีก ก็ทรงนิ่งครั้นปัดชิมม ย, ยามล่วงแล้วจะรุ่งอรุณพระอานนกราบทูลอาราธนาอีกจึงตรัสว่าบริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์พระโมคคัลลานะพิจารณาดูก็ทราบว่ามีภิกษุทุศีล น, นั่งปนอยู่ในที่นั้นจึงว่ากล่าวจูงมือเธอออกไปจากนอกซุ้มประตูใส่ดานประตูแล้วมากราบทูล พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายพึงทำอุโบสถแสดงปาติโมกกันเองตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่แสดงปาติโมกเพราะไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่พระตถาคตจะแสดงปาติโมกในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์ตรัสแสดงเรื่องความอัศจรรย์ของมหาสมุทรแปประการเทียบกับความอัศจรรย์ พระธรรมวินัยนี้ดังที่ตรัสแล้ววักที่สชื่อกะหะปฏิวักว่าด้วยขา้ารหะบดีอุคค ข, ขา้ารหะบดีชาวกรุงเวสาลีเรียนแก่ภิกษุทั้งหลายถึงความอัศจรรย์8ปประการของตนคือหนึ่ง เห็นพระผู้ม you know ีพระภาคแต่ไกลก็เลื่อมใส 2. เมื่อเข้าเปรี้าได้ฟังอนุปปิกถากับอริยสัตสีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะสมาทานศิกขาบทมีปรมจันทร์เป็นที่หําสำหรับข้อนี้น่าจะหมายความว่ารักษาศีหายกข้อสคือประพฤติผิดในกามออกเลื่อนข้อสี่และห้า ไปไว้เป็นข้อที่สและสี่แล้วสมทานข้อหเว้นจากอบรจรรยนคือการเสพกาม 3. ตนมีภริยาสาวสี่คนจึงแจ้งให้นางทราบว่าตนสมทานสิกขาบทมีพระมจร์เป็นที่หผู้ใดปรารถนาจะอยู่ก็จงให้ซับทมบุญไปหรือจะไปสู่ตระกูล ญ, ญาติของตน หรือต้องการให้เรายกให้แก่บุรุษใดก็ได้ภริยาคนใหญ่จึงแจ้งความประสงค์ให้ให้แก่บุรุษผู้มีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ตนก็ให้ไปไม่มีใจผิดปกติ 4. โภคทรัพย์ในตระกูลของตนถือเป็นของสาธารณะสำหรับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมห เข้าไปหาภิกษุด้วยความเคารพหกถ้าท่านแสดงธรรมตนก็ฟังโดยเคารพถ้าท่านไม่แสดงธรรมตนก็แสดงธรรมแก่ท่านเจมีเทวดามาบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมะไว้ดีแล้วตนก็ตอบว่าท่านจะบอกหรือไม่บอกก็ตามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสธรรมะไว้ดีแล้ว จิตของตนไม่ฟูเพราะเหตุที่เทวดามาหาหรือเพราะได้พูดกับเทวดา 8. ตนละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้คือเป็นพระอนาคามีตรัสถึงความอัศจรรย์แปประการของปุคคะคฤหาบดีเจ้าหัดจิคามในทํานองคล้ายคลึงกัน รวมทั้งคฤรหาบดีอื่นว่าประกอบด้วยความอัศจรรย์เจ็ดประการโดยน้อยกว่าผู้อื่นหนึ่งข้อคือหัตถกัชาวเมืองอาลวีประกอบด้วยอริยสัพจเจ็ต่อมาตรัสสรรเสริญหัตถกัอุบาสกว่าสงเคราะห์บริษัทธสด้วยสังหะวัตถุคือธรรมะเป็นที่ตั้งหรือเป็นเรื่องของการสงเคราะห์สี่อย่าง แล้วตรัสสรรเสริญว่ามีความอัศจรรย์8ปดเพิ่มความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยตรัสแสดงเหตุที่ให้เป็นอุบาสกเป็นต้นแก่มหานามสักยะว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระชื่อว่าเป็นอุบาสกมีศีลห้าชื่อว่ามีศีลมีคุณธรรมด้วยตนเอง แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นมีคุณธรรมเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วยชื่อว่าปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและคนอื่นและตรัสตอบหมอชีวพในทรรนองเดียวกันตรัสแสดงกาลัง8ปประการคือหนึ่ง เด็กมีการร้องไห้เป็นกำลังสงสตรีมีความโกรธเป็นกาลัง 3. โจรมีอาวุธเป็นกาลังสี่พระราชามีอิสริย์ความเป็นใหญ่เป็นกำลังห้าคนพาลมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังหกบัณฑิตมีการเพ่งโทษตนเองเป็นกำลัง 7. ผู้สุดับมากมีการพิจารณาเป็นกำลัง 8. สมณพราห ม, มีขันติคือความอดทนเป็นกำลังหมายเหตุในส่วนของบัณฑิตมีการเพ่งโทษตนเองเป็นกำลังอัรถกาถาแก้ว่าบัณฑิตไม่ได้เพ่งโทษแบบคนพานแต่เพ่งประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ พระสาวรีบุตรปราบทูลแสดงกำลังแปดประการของภิกษุผู้สิ้นอาสวะคือพระขีณาสพได้แก่ 1. เห็นด้วยดีซึ่งสังขารว่าไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบ 2. เห็นด้วยดีว่ากามเป็นเหมือนหลุมฐานเพลิง 3. มีจิตน้อมไปสู่ความสงัดข้อ4ถึง8 คือเจริญสติปัฏฐานสอิทธิบาทสอินรี่หโคชงเจและอริยมรรคมีองค์8ด้วยดีตรัสแสดงขณะหรือสมัยอันไม่สมควรเพื่ออยู่ประพฤติ ร, รมจรรย์8ปประการคือ 1. เกิดในนรกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเกิดขึ้นแสดงธรรม 2. เกิดในกำเนิดเดรัจฉาน 3. เกิดในภูมิแห่งเปรต 4. เกิดในเท พ, พนิกายที่มีอายุยืน 5. เกิดในชนบทชายแดน 6. เกิดในเผามิลักขะผู้ไม่มีความรู้แจ้ง 7. เกิดในมัธยมชนบทแต่มีความเห็นผิด 8. เกิดในมัธยมชนบทแต่มีปัญญาสาม รัแสดงมหาปุริสวิตตกคือความคิดหรือความตรึกของมหาบุรุษ8ปดประการคือธรรมะนี้ของผู้มีความปรารถนาน้อยผู้สันโดษผู้สงัดผู้ปารบความเพียรผู้มีสติตั้งมั่นผู้มีจิตตั้งมั่นในวงเล็บเป็นสมาธิและของผู้มีปัญญาเจ็ดข้อนี้พระอนุรุตท่านคิดได พระผู้มีพระภาคตรัสเพิ่มเติมข้อสุดท้ายคือธรรมะนี้ของผู้ไม่เนิ่นช้าพระอนุรุษปฏิบัติตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์วักที่สชื่อทานวักว่าด้วยทานการให้ตรัสแสดงทาน8อย่าง 1. นพบเข้าก็ให้ 2. ให้ทานเพราะกลัว 3. ให้ทานเพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราสให้ทานเพราะคิดว่าเขาจะให้แก่เรา 5. ให้ทานเพราะคิดว่าทานเป็นของดี 6. ให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงต้มแต่สมณะเหล่านี้ไม่ได้หุงต้ม 7. ให้ทานหวังกิตติศัพ์ แปดให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประกอบจิตคือเพื่อให้จิตอ่อนควรแก่คณะธรรมะสูงขึ้นไปและตรัสแสดงทานวัตถุ8ดอย่างคล้ายคลึงกันตรัสแสดงสมณพราหมณ์ผู้ประกอบด้วยองค์8ดคือมีความเห็นผิดจนถึงมีความตั้งใจมั่นผิดส่วนในทางดีมีความเห็นชอบ จนถึงมีความตั้งใจมั่นชอบคือมักมีองค์แปดตรัสว่าเป็นเหมือนนาเลวนาดีตรัสแสดงความเกิดในที่ต่างๆด้วยอำนาจทานคือทานูปปะปะติแปดประการความเกิดในที่ต่างๆด้วยอำนาจทานได้แ ก, ก่หนึ่งกษัตริย์รามหรือขฤรหบดีมหาศาร ข้อสองถึง7คือเทพหกชั้นและข้อสุดท้ายข้อที่8เทพพวกพรมทั้ง8ดอย่างนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยมีศีลไม่ใช่ผู้ทุศีลและเฉพาะข้อ8คือเทพพวกพรมต้องปราศจากราคะด้วยตรัสแสดงบุญกิริยาวัตถุ คือเรื่องของการทำบุญสามประการคือบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทานศีลภาวนาหรือการอบรมคือหนึ่งทำทานและรักษาศีล น, น้อยไม่มีภาวนาคือการอบรมเลยทำให้ตายไปแล้วเกิดมีส่วนชั่วในมนุษย์ 2. ทำทานรักษาศีลพอประมาณไม่มีภาวนาเลย ทำให้เกิดมีส่วนดีในมนุษย์สทำทาและรักษาศีลมากแต่ไม่มีภาวนาเลยทำให้เกิดในเทพชั้นจาตุมหาราชข้อสี่ถึง8ทํทำทาและรักษาศีลมากแต่ไม่มีภาวนาเลยทำให้เกิดในเทพชั้นดาวดึงชั้นยามะชั้นดุสิตชั้นนิ ม, มานารดี ฉันปรานิมิตะวัสวัตตีตรัสแสดงส ป, ปุริสทานคือทานของคนดี8ประการได้แก่ให้สิ่งสะอาดให้สิ่งประนีตให้ตามการให้สิ่งที่ควรเลือกแล้วจึงให้ให้หนึ่งเนืองขณะให้จิตเลื่อมใสให้แล้วก็อิ่มใจ สัว่าสัปุริสักคือคนดีเมื่อเกิดในตระปูลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากคือแก่มารดาบิดาแก่บุตรภริยาแก่ทาตและกรรมกรแก่มิตรสหายแก่ผู้ล่วงลับไปก่อนแก่พระราชาแก่เทวดาและแก่สมณพราหมณ์ รัแสดงความไหลมาแห่งบุญ8ประการคือหนึ่งถึงสถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะข้อ4ถึง8เว้นจัด ก, การล่วงละเมิดศีลห้าซึ่งถือว่าเป็นการให้ความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแก่สัตว์ไม่มีประมาณ รัสแสดงโทษของกายทุจริตสาวจีทุจริตสีและการดื่มสุราว่าถ้าทำให้มากเป็นเหตุให้ไปสู่นรกกำเนิดยรชานและอูมแห่งเปรตส่วนโทษอย่างเบาเฉพาะข้อมีดังนี้หนึ่งฆ่าสัตว์ทำให้มีอายุน้อยลักทรัพย์ทำให้โผขะพินาศประพฤติผิดในกรม ทำให้มีเวรจากศัตรูพูดบททำให้ถูกกล่าวตูพูดส่อเสียดทำให้แตกจากมิตรพูดคำหยาบทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่น่าพอใจพูดเพอเจอ้อทำให้มีวาจาไม่มีใครเชื่อดื่มสุราเมรยัยทำให้เป็นบ้า วักที่หอุปโปสถวัคว่าด้วยการรักษาอุโบสถได้แก่เว้นจัด้าสัตว์ลักทรัพย์เสพเมถุนพูดปดดื่มสุราเมรยัยกินอาหารหลังเที่ยงถึงรุ่งอรุณวันใหม่ฝอนรำขับร้องประโคมดูการเล่นทัดทรงดอกไม้ของหอมใช้ที่นั่งนอนสูงใหญ่หยัดนุ่นและสำลี ตรัสว่าอุโบสถมีองค์8ปที่อยู่จำแล้วมีผลมากมีอานิสงมากคือให้พิจารณาเทียบเคียงว่าพระอรหันท่านงดเว้นตลอดชีวิตแต่เรางดเว้นตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ชื่อว่ากระทำตามพระอรหันตรัสแสดงผลของอุโบสถประกอบ ด, ด้วยองค์8ว่ายิ่งกว่าเสวยราชในมหาชนบท16แคว้น มีอังคามะคตเป็นต้นตรัสสอนนาวิสาขาและวาเสฐถกอุบาศกและโพชชาอุบาสิกาถึงเรื่องผลของอุโบสถในทำนองเดียวกันตรัสแสดงธรรมแก่พระอนุรุษถึงเรื่องสตรีประกอบด้วยธรรมะแปดประการเกิดในเทพผู้มีกายอันน่าพอใจ คือหนึ่งถึงห้าข้อแรกเหมือนกับที่ตรัสไว้แล้วในบทก่อนข้อ6ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะ 7. มีศีล8มีการบริจาคตรัสแสดงธรรมแก่นางวิสาขาและแก่ขรหาปตานีมารดาของนักุลมานบในทํานองเดียวกับที่ตรัสแก่พระอนุรุต ตลอดแกนางวิสาขาถึงเรื่องสตรีประกอบด้วยองศีเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมีชัยในโลกนี้คือจัดการงานดีสงเคราะห์บริวารชนดีประพฤติสิ่งที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้กับสตรีประกอบด้วยองศีเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมีชัยในโลกหน้าคือมีศรัทธาศีล การบริจาคและปัญญา